พระสงก็กาลังพิจารณอาหารกันอันนี้ก็พูดแบบเป็นปัจจุบันนะนะนมันจะต้องใช้ยึดกับปัจจุบันกพูดตามที่เห็นนี่แหล ะ, ะต้ลองใช้สมองมันเยอะไม่ได้จำ ม, มาพูดนะนะพัพูดตามที่เห็นให้เป็นการสอดคล้องกับการอยู่กับตัวปฏิบัติ ขนนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าจะโยงไปไกลอีกนิดนึงก็โยงไปวัดกลางค่างเขาปฏิบัติกันอยู่เหมือนกันภูเขาทองโยงไปไกลอีกนิดนึงออกนอกตัวจต่เป็นความเป็นจริงที่สุดได้เป็นคอร์สในสายงานแต่ละเดือนต่ลาทิตย์ที่ไหนลงชื่อไว้ ในที่ประชุมสายงานกนรับรองพยายามโฆษณาประช า, าสัมพันธ์กันให้ประชาชนคนทั่วไปหรือว่าคนในสายงานได้เวียนกันไปไปฏิบัติวัดนี้สองรอยคนวัดนั้นสามรอยคนแต่ภูเขาทองนี่เหนาหน่อยเห็นไประมาณสามสิบกาคนถลไมาจำนวนไม่เท่าไหร่ ในสายงานที่อยู่ตรงวัดตรงใกล้ๆนี่จะประมาณโลสองโลเนะที่เคยปฏิบัติกันในสายงานก็คนเยอะสองสามร้อยคนพระก็มากระจานวนมากสุขตวัวเราก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วไม่เกี่ยวกับสายงานไม่สายงานก็มากันประจำเดือนสี่ห้าสิบคน สิบคนร้อยคนก็มีแต่ตอนนี้ก็100ร้อยกว่าคนนะที่อยู่กันที่นี่ตอนนะี้หรือว่าเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับสายงานเผยแผ่แันเกี่ยวกักวกกวกวบปัดป่าสุกโกตุไปมีหลวงพอ่อเขียนตอนมีชีวิตอยู่กันก็ได้ชี้นำสร้างกระแส จนเกิดลูกสิษลูกหามากมายที่ไปแบบทาแล้วก็คิดว่าเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นที่นี่มันจะเป็นการเข็นธรรมจกักรวามดีๆนะเพียงแค่ตีคล้องร้องไส่ตีคล้องร้องไส่บางที่มีทางไลน์ทางเฟ e บุ๊กกระจายสัมพันธ์บางทีก็บอกต่อๆกันไป ตีคล้องร้องเปล่าสังเกตป้ายหน้าวัดไหมมันไม่มีรูธรรมจกนะักฮะวิธีคิดก็คิดแบบผ ม, มเอาตอมาเนี่ยแหละทำป้ายแทนที่ยะเอาธรรมจักขึ้นนหนะก็เอาคล้องขึ้นตีคล้องร้องเปล่าทั้งสองป้ายเลยป้ายนอกก็ใช่ป้ายใน ก, ก็ใช่ข้างบนมันจะมีคล้องดำๆอยู่ก็บอกกันนะ ส่วนการกระทำกระทำกันเอาเองกันแล้วกันจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะถ่ายถ่ายจะผักอาหารรับประทานอาหารก็ฝึกตัวเองเอากระบอกกันอย่างนี้มันก็จะไปตรงกันในประสูตยการกินการเที่ยวการลิ้มรสการกลืนดูนะก็รู้สึกตัวกันไปใช่ไหมเราพูดถึงปัจจุบันการฝึกการหัก จะนัง่งจะเดินจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามเคลื่อนไหวรู้ทึกตัวโดยปกตาไหนเนี่ยนะใครเคลื่อนไหวก็มันถือว่าผิดปกติหรอกที่นี่นะถือว่าออกำลังฝึกตนสอนตนกันอยู่สุดจะทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเพ่นเผลออ้อาวก็ทำ ไ, ได้ครับคนไม่เคยรู้มาก็อนใช่ไหมถ้ารู้มันจะมาหรอือตั้งสํานักกัหมดแล้วเช่นหลวงพ่อพอ อ, อคืนสู่ธรรมชาติไม่ใช่ก็ว่าละสังขารเลยมันไม่ใช่ละสังขารแล้วเขาลางแต่ตอนปฏิบัติล้วมีแต่คืนสู่ธรรมชาติการตายก็ไม่มีด้วยไม่มีการตายดินสู่ดินน้ําสู่น้ําลมสู่ลมไฟสู่ไฟนันลูกศิษย์มหาที่รู้ก็เอออย่างมืวานเนี่ยท่านจัน น, น่ะเทศอยู่พิศาลาฟังแล้วอืมมันก็อยู่ในกรอบในขอบในเขตขอะอย่างอารมณ์ปฏิบัติ เป็นความจริงแบบนั้นแหละเราฝึกเราเห็นตัวเองแบบนั้นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของใครของเราปัจจุบันเราไม่จำกัดในร่ำเวลาเวลานี้ก็ใช่เวลาไหนๆก็ใช่ทารู้สึกตัวนะอ่ะญาติโยมประมุขตั้งใจแล้วพอ